เห็นกำลังนอนถูกต้องกายถ้าอุบาสิกานั way, zitten, <men> ้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากำลังนอนถูกต้องกายกับมาตุคามและพิสูุนนั้นยอมรับการนอนนั้นพึงปรับตามอาบัติอัตมานอนจริงแต่ไม่ได้ถูกต้องกายพึงปรับอาบัตเพราะนอนอัตมาไม่ได้นอนแต่นั่งอยู่พึงปรับอาบัตเพราะนั่งอัตมาไม่ได้นอนแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัตได้ยินกำลังนั่งพูดเกี่ยว ถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันได้ยิยนพระคุณเจ้ากําลังนั่งพูดเกี่ยวมาถุกคำด้วยวาจาชั่วยาบและภิกษุนั้นยอมรับการนั่นพึงปรับตามอาบาัตถถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันได้ยินพระคุณเจ้ากําลังนั่งพูดเกี่ยวมาถูกคำด้วยวาจาชั่วยาบถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอาตมานั่งจริงแต่ไม่ได้พูดเกี่ยวหญิงด้วยวาจาชั่วยาบพึงปรับอาบาัตถเพราะนั่งอาตมาไม่ได้นั่งแต่นอนอยู่ ปรับอาบัตเพราะนอนอัตมาไม่ได้นั่งแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัตได้ยินกำลังนอนพูดเกี้ยวถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าิฉันได้ยินพระคุณเจ้ากำลังนอนพูดเกี้ยวมาตุคามด้วยวบชาช่วยหาบและพิสูจนนั้นยอมรับการนอนพึงปรับตามอาบัติอัตมานอนจริงแต่ไม่ได้พูดเกี้ยวมาตุคามด้วยวบชาช่วยาบพึงปรับอาบัติเพราะนอนอัตมาไม่ได้นอนแต่นั่งอยู่พึงปรับอาบัติเพราะนั่งอัตมาไม่ได้นอนแต่ยืนอยู่ ไม่พึงปรับอาบัตเห็นนั่งในที่รับ465ท้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งในที่รับกับมัทุคามสองต่อสองและภิกษุนั้นก็ยอมรับการนั่งพึงปรับอาบัตเพราะนั่งอัตมาไม่ได้นั่งแต่นอนอยู่พึงปรับอาบัตเพราะนอนอัตมาไม่ได้นั่งแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัตเห็นนอนในที่รับท้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ฉันเห็นพระคุณเจ้านอนในที่รับกับมาตุคามสองต่อสองและภิกษุนั้นยอมรับการนอนพึงปรับอาบัติเพราะนอนอัตมาไม่ได้นอนแต่นั่งอยู่พึงปรับอาบัติเพราะนั่งอัตมาไม่ได้นอนแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัติคําว่าแม้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบสิขาบทก่อนคําว่าอนิยต์คือไม่แน่ว่าจะเป็นสังขาธิเศษหรือเป็นปาจิตตี457 พิสูยยอมรับการไปยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตพึงปรับตามอาบัตพิสูยยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตพึงปรับตามอาบัตพิสูยยอมรับการไปยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตพึงปรับอาบัตเพราะการนั่งภิสูยยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตไม่พึงปรับอาบัตภิสูยไม่ยอมรับการไปยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตพึงปรับตามอาบัต พิกผูไม oh <Aww. S 1> ่ยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตเพึงปรับตามอาบัตภิกผูไม่ยอมรับการไปยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตเพึงปรับอาบัตเพราะการนั่งภิกผุไม่ยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตไม่พึงปรับอาบัตทุติยะอนิยตสิกขาบทจบ